เราจะไปคิดตำหนิศาสนานั้นแต่คิดตำหนิคิดไปไงยิ่งเป็นความผิดขอตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวาคาจะทำจัดได้ชอบแล้วนิยายนะทำนำจัดให้คนจาทุกได้โดยลำดับจริงบทธรรมคุณก็ปวดกันอยู่ตลอดเวลาเ่ยหลือทุกวันทุกคนืนสวาคาตัวก็ตาธรโมเนี่ยถ้าทําอันนี้ถ้าจาัดชอบแล้วนี่จัดดีแล้ว ท่าปโก้ผู้ปฏิบัติจะเป็งเห็นเองคือเห็นองค์ทำแท้นนะเห็นเองอาการิโก้ทำม่อยู่ตลอด ก, กาลเช่นเดียวกับกิจมีอยู่ตลอด ก, กาลโอภนังยิโกเอียปฏิโกโอภนันยิโก้เอียเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตัวฉันจะทำเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสองอย่าง ประกาศท่าทายเราเป็นตลเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกขกับสมุทรไทยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้ง Lincoln, ทางร่างกายชาติปีวิวขาชาลาปิวขามันนำปีวิวขังนี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกขโศกกระเบือกันนั่นเป็นทางใจนั้นนั่นโศกกระหมายถึงใจโศกกระเบือกโลกุลมาตุไฟธาตุโยธาอเษกสร้าปนโลกุลโลกหนึ่งเกี่ยวกับทางใจมีทุกข์ ทางกายทุกทางใจแทรแดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภายใ น, ในใจิตใจนี่แหละที่ว่าสันทิฏิโกว่ที่ว่าเอหิปะจโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอหิท่านตวงนังมาท่านเอหิจงดูดูตรงที่นี่สอแสดงทำสอแสดงอยู่ที่นี่ทุกข์กสออยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไร แต่จะทำสองอย่างเนี่ยเด่นอยู่เวลานี้หากสติปัญญาของเรายังยังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่เก่อนดูให้ดีพิจนาให้ดีนั่นี่เราทราาปรรปัตตตราขนี้มีก็อ่าพิจารณมสนหาว่าอยู่หาแน่เหมือที่สอนเราพูตไปด้วยความรืองเลิ่มตันถึงนอนเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกรรมาว่าปัญหาที่พัวปัญหาแน่ ว่าไงแรือในจิตนี่มีกระแสธรรมม้เพงเองจงดูที่นี่คือเอหิน้อมใจเข้ามาดูที่นี่ถ้าเป็นกิจยำคนก็เอหิจงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสของจิตเอหิยจงย้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทา พยายามสร้างยาถอยเราจะเห็นความทุกข์ในวัฏจักรสามที่เราเคยแบกเคามันมาเนี่ยว่าเป็นของเล็กน้อนไม่ใช่เล็กน้อยโลกจมไปด้วยสิงทุกข์ทั้ายตรงนี้เนี่ยเมื่อหัวมันขึ้นงอนยกหัวมันขึ้น ก, ก็ทุกข์เงี้ยเดี่ยวบังคับทุกชาติท่านมันละไม่มีใครเหนือทุกไปได้เลยก็เพราะว่ามีใครเหนือกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกธรรมดาของธาตของขันถ้าไม่มีกินเลสก็ไปแทรกก็พอทํานา แต่ส่วนมากพอเกิดวิการขึ้นมาในทางขังขงนคนนั้นเป็นหนึ่งที่งเหลือจะเข้าไปแทรกทันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกบวาขึ้นมาอียิ่งเหลืโรคทำใจแทรกเข้าไปแล้วเมื่อเป็นเนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกไม่มีใครที่เจะเหนือทุกข์ใไปได้ดูตามหน้าของทุกข์ถ้าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดไป เ, เลยทําใจให้เด็ด อ่ อ, อนแอพ ร, ระพุทธเจ้าต้าจะชผู้อ่อนแอธรรมก็มีบทใดที่สอนคนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกําหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมยาไปคิดค่ากินหมายกับผลอะไรที่เกิดจะเกิดขึ้นทีใดลักษณะใดอยาไปค่าเป็นการทําลายเหตุที่กําลังทําทําลายงานของตนที่กาลังทําให้เสียไปไม่ติดต่อนั่นแนหะการสร้างเหตุ ที่จะให้ผลเกิดขึ้นคือเรากำหนอดอยู่ด้วยสติรู้อยู่ด้วยสติเช่นกำหนดอนปาปารสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผลก็ยกับกรอยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นจิตไม่ไปไหนบังคับกระแส จ, จิตไ ม, ม่นส่งออกไปนอกมันจะเทจะไหลนะปกติเพราะนี่สายของจิตเป็นอย่างนั้นจับจดจับจด เอาอะไรจริงจริงจังๆทาเรื่องที่เรศมันจริงทาเรื่องของทำมันเป็นมันจับจดอยเรื่องดีใจแฉใจแล้วมันติดเย่างนนทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั่นไม่มีเวลาปล่อยวางมันจริงมันจังถ้ากับเรื่องกองทุกเรื่องที่เแต่เรื่องทํามันค่อยจริาจังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่ใช้จิตใจจริงจังมื่เห็นผลแล้วมันหลัเกิดความจริงจังขึ้นมาตามส่วนผลที่ได้ปรากฏมากน้อย นี่สำคัญเว <c oughs> ลากำหนดให้สงบตั้งท่าเอาให้สงบไม่สงบเหลือไม่สงบเอาคน้นค้นก็ บ, บังคับให้ให้สติติดตามจะดูอันไหนดูไหนนะให้รู้ให้จ่อไปโดยลํำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับด้วยสติมันั้นไม่ได้หานะิชิตพอยได้เฉล็จเทา่าไรเราทํานั่นละหวังเอาความสูขเรื่อยๆด้วยการต่ อ, อยใจ นั่นแหละคือการปล่อยกิเลสก็มาทุ่เมเจ้าของทุกในการบังคับบัญชาจิตใจั้งตนชื่อว่าทํางานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตลึกฝึกทรมานกิเหลสที่มีอยู่กับติดแท้ต้องทําอย่างนั้นไม่กยินให้จําผมอยากจะยินหมู่เพื่อนไม่รู้เห็นทำไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพอเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผล ผ, ลผานต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดนะการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้เท่า น, นั้น <c oughs> สอนจากข้นรู้เห็นจริงๆแล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้นไปเดามาจากที่ไนหนามาสอนด้วยนะเพราะนั่นถึงพูดด้วยความอาถารทุกอย่างทุกมุมแน่ใจว่ามม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าหาว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมันแน่นิสยเหตุว่ามันโทรผลจึงปรากฏมาอย่างนี้แล้วก็นํานั้นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญาเพานันอากจะให้มีเพื่อนจริงจัง มันไม่ด้เห็นความจริงจริงมันสงลงไปแค่ไหนแต่ไม่รู้เป็นผลแค่นะั้นมีความสงบเยียบเย็นอยง้เาการที่จะพิจารณาฐานะปัญญานั้นเป็นเรื่องสําคัญสมาธิคือความสงบมันมึนร่ารุ่นหมุนหม้อประสาทสินในใน่งใดๆแล้วควรแล้วในการที่จะพิจารณาสดือดถานเดือดขันภายนอกภายในไม่ต้องกําหนดกฏเกณฑ์และมีประมาณแบบข้างนอกหรือข้างใ น, นได้ทั้งนั้นแล้วต่ง จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัดในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรเอาให้รู้ให้เห็นพิจารณาอสุภาอสุพันธ์เอดูขี้ทานออกเป็นหมดทุกชิ้นทุกอันเป็นไรไม่จิตมันปล่อยตัวจากนั้นไม่จิตมันวางไม่จิตมันเฉลี่ยเฉลี่ไปจากรูปภาพนั้นดูมันทุกระยะระยะระยะให้มีแต่ความรู้กับภาพนั้นตากรดทนอยจาให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราปะ ตั้งขึ้นมานั้นตาขุดอยู่เลยเพราะฉะนั้นคือสท้แต่มัข้อไว้ไม่มีสามกเบอะไรไม่มีหนึ่งคือความรู้ซึ่งทำคัญอยู่โด้วยสติสองข้าวิปลากฏดูให้ชัดเจนคลี่ใสเวลาพิจารณาไปยุ่งอะไรมันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายหน้าหนุ่มเห ม, มือนไม่มีเพลิ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นภายใเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกอ ย, นาาา ย, นย้อนเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกพิจาั้น ไปหมดทุกแง่ทุกมุมซึมซาบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นชัดเจนเราจะไปคาดหมายผลอยากใหามันแล้วมันเสร็จไปอย่างนี้ไม่ได้นะกาพรพิจารณาอยากให้แล้วมัเสร็จไปนี้ไม่โฉกพิจารณาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อืนอ่นความอยากมันจะประโยชน์อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้ตัวของก็มไม่สามารถที่จะให้รู้พอเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้ มันก็ปล่อยไม่ได้ลองพิจารณาให้มันกินมันตสำคัญอาจารย์อาจารย์กินิถ้ายังไม่ดูพ้นมัวก็อาจารย์ไม่เห็นอารความสงบเพียงสมาธินั้นเกิเป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่นเรื่องโลกเรื่องสาเรื่องเรื่เสียงเร่งกิ่นเรงลสงกามระ อะไรแบบนี้ถ้ามันไม่สงบมันไปนะมันเยิ่มเยมิ่มเยมิมเรื่อยๆนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเยอมัวุ่นวายอะไรกับเรื่องวิทยประเทศอันนี้เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เขาเขียนจริงๆมันทักรวดเร็วรยนินเสียงถ้ามันทักอะไรขึ้นมาใครจิตแต่ไม่ในหมายทีม่มันแสดงเป็นอวัยวะนะมันอะไรสนจิตชอบคนชอาคน มันรวดเร็วเป็นลักษณะรักฮะมันแสดงภายในจิตพอแยกให้รู้นะท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามันมากนี่เหมือนนะเนี่ยทําไมจิตนี่เวลาเอามาปฏิบัติจริงๆแล้วมันจึงรวดเร็วขนาดนี้เป็นอันนี้แต่ก่อนไม่เป็นความจรินมันก็เป็นแต่เราไม่สนใจเฉยทีนี้อเรามีสติมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนอย่ง ความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีสติมันปรุงทั้งวันเราก็ไม่ไม่กำหนดกดเจณฑ์ว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติเจาะเขานั้นมันจะกระเพื่อมออกมาเนี่ยมันรู้มันจะกระเพื่อมออมาเนมันตุนี่นี่แต่ความคิดเท่านั้นะควรจิตแหน่มันก็รู้แล้วนะมันกําหนดดูจริงไม่เห็นมีอะไรกวนจิตนี่แต่ความปรุงมันค่อยจะกระเพื่อมมาเรื่อยๆพราสติครอบดูอยู่นี่สติครอบเนี่เป็นลักษณะจะกระเพื่อมออกมา พอเป็ักษณะกระเพื่อมมากำหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนๆกาหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปดับไปมันมีลักษณะอะไรใช่ไหมเอานั่นเป็นเป้าหมายกําหนดตรงนั้นมันก็ดับไปดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราต้องได้เห็นโทษของมันและเห็นเรื่องความปรงเมื่อกิ้ได้อย่างชัดเจนว่ามันจะมันกระเพื่อมมันจะแยกออกมาที่มันเป็นลักษณะนุ่นๆออกมานี่นี่นี่คือเรามีคติดูมันมันรู้มันปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้าในจิตเราทั้งวันก็ไม่รู้ นี่เวลาที่มันไเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทําให้เกิดความแปลกๆภายใจิตได้ยอย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีมันติดพันอยู่ก็เพาะอะไมันไม่เลื้อ b ก, กว่าแรงจริงจนจะแบกไปไม่ไหวมันก็ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นมันไม่รู้เพราจิตไม่มีสติจิตไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจอลไรนะพอมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเรานไ้นยิ่งคํามาักคำแม่นยิ่งได้ บังคับบรรชาขันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าทุนจิตมีความสงบเย็นที่นี่เรื่องอย่นี้คอยจางไปจางไปนี่เราก็ยิ่งแน่นหนักลงตรงนี้เห็นมากลงมาทํามันหายแต่เรื่องเหล่านั้นสงบสบายนั่งสบายคือความคิดความปรุงปรุงได้แต่ที่จริงมันคิดปรุงไปเรื่องนอกๆน่า อ, อ, อย่างที่มันเคยไปแบดดสไลด์มันไม่ไป จิตที่มีความสงบตัวได้แล้วสงบจนมีร่างฐานเนี่ยความสงบภายในตัวมีร่างฐานสมัยที่แล้วมันมายุ่งกับเรื่องไหนมันก็อยู่ในความสุขนนี้ติดอยู่ในนี้สบายอยู่ในนี้อย่างนี้พอมันเป็นความสุขอย่างนั้นพอนเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิ จ, ร า, พจรารณาเปลี่ยนว่ารอันกับการทําความสงบ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 แล้วตั้งท่าให้จิตสงบด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นนั่นก็สงบลงได้พอสงบมาได้เป็นกำลังแล้วตอนนั้นเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่นีด้านปัญญาสมาธิไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ ย, ยนี่เรียกว่าทางานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้สงบเรียกว่าสมาะิก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุ่งวิปัสนาเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งแห่งจริงตามความนนาาจริงที่หาที่มีอยู่แล้ขันในจิตนี้ ก็เอากินเอาจังหมสยงสนใจกับเรื่องสมาธิมันจะไปไหนกระช่างสมาธิเวลานี้เราทำลายอาวุธเต็มเมตตาเนีย่ยมันไม่แย่จ้งจริงพิจนารณาแล้วพิจนารณาเราเจนเกิดความซึง้งภายจิตทําให้เข้าใจจริงมันซึ้งนะซึง้งกับภายในจิตล้วไม่มันปล่อยวางอีกทีมันปล่อยวางไปปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปเบาลงไปปัญญาขั้นลำเล็กต้องาพาผุดขึ้นพาคุ้นพัาว่าเหมือนเราพาพ เด็กทางานที่ยังไม่เคยงานงั้นการทำสมาธิก็ต้องถงถูบังคับบัญชาทำด้วยสติไม่งั้นมันเผลอทะเลตะไรพอจิต่ได้ไดผลการทสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทําหน้าที่มันเองพอถึงขั้นปัญญาเริ่มขั้นเดิ่มแรกต้องพากิพ า, พาก้นพากินพิจารณา จนกว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่มีปัญญาจะค่อยก้าวเดินออกเองว่าจรีงรู้จักวาระตัวเองวาระสมาธิวาระปัญญาใครจะทําหน้าที่ทางด้านจะทำอุปการปัญญาเรือ่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นไม่ให้ก้าวไกลกันนี่เรียกว่าทําถูกต้องเป็ปฏิบัติใหม่ตอนมันเลยเถิดมันกันเลยความเลยเถิด น, นั้นมันเป็นครูสอน เช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปนาัญญามีเราก็รู้มันเลยเถิดเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วนั้นก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรคงไปตรงนั้นเลยเถิดอะไรอันก็รู้ตรงนั้นพอดีรู้นี่จึงต้องสอนไม่สอนให้ถูกต้องทีเดียวโดวยไม่ต้องไปขาดเดาอะไรพราะครูอาจารย์สอนไม่แล้วโดยถูกต้อง จะจับลงตรงไหนอวัยวะเ่าอืมที่แรกเพ่งเป็นเหมือนกับสิงจะจับตรงไหนสติดจออตรงนั้นอืมจะกําหนดหนังตรงนั้น่ยถ้าติดจอใตรงหนังนั้นเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ําไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปล่อยให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเชืเดียวค่อยๆลืมเรื่อลืมตัวลืมขันยาความคาดหมายเข้าไปเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นตาบอดดูเด่นท่าตท่นื้อ แล้วเดี๋ยวก็ค่อกระจายออกกระจายออกกระจายออกทั่วถึงหมดในสันนภงร่างกายความเปิดของหน้าความเปิดของอะความปฏิกริยโฉลกมันหุ่นประจับกับจิเกิดความอินน้าและอาใจก็เกิดความสุขสังเมืแต่จิตใจมันเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเบาลงไปแทนที่จะจุกสร้างขงอ๋อัไมเป็นนะพอเห็นทั่วทั้งสิ่งนี้แล้วเราอุปทานไม่ค่อยจางไปปจางไปในขณะนั้นเราถึงจะพังทลายลงไปเมื่อถึงหน้พิจารณาทางล่้าปัญญา ที่เวลาเราพิจารณาทีหลังเราจะคิดสิ่งที่เราเคยรู้เปยเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลงกําหนดใหม่เอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเกาา่าก็ตามแต่ให้ไม่เกิดในวงปจจุบันตั้งหลักลงที่เก่านั้นแหละเนช่นเรากำหนดเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจากตรงลงตรงนั้นเลยแล้วจอดตรงตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่างงืวานนี่เป็นงนั้นวันนี้ ไม่อเข่านีเป็นอย่างนี้อย่างนั้าถ้าจอในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปกว้างไปแคบให้มันเป็นในวงปัจจุบันถ้ามันเป็นไปเองั้งมั น, นีเราจะทราบในชาติหา ก, การพิจารณานี้ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจารณาในาสืบเดียวกันแห่งอริยวะแต่ความรู้ความเห็นต่างๆในสกุลการนี่จะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้อยนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นนั้นแต่รวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกัน การเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนพิเดียดได้ด้วยกันนะเราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดเปหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงนขณะขณะที่ทำนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราเอย่าเอาอาดีตปัญญาอื่เข้ามาทับมาถมอันนี้ให้เป็นประย่างนั้นๆแล้วไม่ได้เลือกนะจริงๆความจริงก็พิจารณาความจริงนั้นปรพพนากฏภานจิตอย่างไหนดูตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบทำไมมันรู้มันเห็นมันจะเร็วมิช้ากว่าทา ถ้าเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ป่อดมันถิ่นก็เร็เข้าใจได้เร็วมันถิ่นเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งถ้ามันช้าให้มันเข้าใจเรื่องที่พอใจในการพิจารณาด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาทีนี้ไม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาใ น, นที่อยู่ที่อยู่ที่ความเพียรเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินนันนน่งนอ น, น, อนเล่นตลาดเท่านั้น แต่นมันจะหมุนตัวที่อยู่ทเนี่ยนั่นแหละที่ีหมุนแก้ี่เหล็ดแต่ก่อนมันผูกมัดตัวเองด้วยสมุทัยความคิดความตุงตุ้งเพ้อเหวมแต่ในเรื่องต่างๆไม่มีวันไม่ีคืนดินเดินนั่งนอนทีนี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิกมจะถอนทีในความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยสังหารทีนี้เพิกถอนออกเพิ่มมัดคือสติปัญญาแล้วหมุนเตี้ยวที่นี่กิเลสขาดลอยไปขาดลอยไปวันลนเล็ดละน้อยเข้าใจชัดเจน ที่ยตัวนั้นหลุดไปที่ลเอียดไี้หลุดไปรู้ได้ชัดโดยปัญญาเพราะฉะนั้นเราถึงถ้าพูดได้เต็มปากว่าที่ละเอียดทุกประเภทถอนด้ปัญญาทางั้นถอนด้สติปัญญาทางไหนสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันจปตเียวาจาที่ะเอียดข้นมารวมตัวลอียดตัวใดก็ยังไม่ตายนนั่นเพ่าข้าที่ละเอียดดงได้โดยศีลดังกลงได้้วยสมาธิหยาละเอียดได้ยปัญญาเพราะนั้นพูดกันเฉย คือมันสงหุบตัวเข้าไปที่เรี่ยอย่างมามัน่สงหุบตัวเข้าไปเว่ามันจะตายมันจะขาดจริงมันขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญาเช่นศีลย่างนี้เหมือนกันเราได้น้มันระวังอะไรไม่ใมันทําบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทําอีกนั่นก็เรียกว่าข้าวิเศษประเภทที่มันอยากทาอยากฝราศเสื่อสื่อมนั่นได้ด้วยปัญญาวิเประเภทไหนพ้นปัญญาตรบนี้ เพลินจริงๆสมาธิไม่ค่อยมีอย่างผมคือมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ระยะนั้นสมาธิมัไม่มมันเป็นปัญญาเป็นหมด <c oughs> แต่ให้เป็นว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างที่เราเริ่มแรกปฏิบัดสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมันมีแต่เรื่องการต้นคว้าต่างหากไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่ได้หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมด เอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไงตอนนี้เวลาจะพักมันต้องไลยยับยัง้งห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มทางถ้าจิตมันถอยออกจากความยับยั้งมันก็พุ่งถึงงานเลยนะมั น, ะ น, ะนะจะทำฝ่ายมากเป็นไงนะเมื่อฝ่ายมากมีกำลังมากเป็นไง ความดับทุกข์จะดับไปเรื่อยๆดับกิเลสก็คือวาดับทุกข์นั่นเองอืทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไปเพรออาะอานาจของมรกคือปัญญาวิจิตรปัญญาทุกข์ในขันเป็นอยู่ประเภทนี้ทุกข์เพราะกิเลสมันมีทุกข์ในขันไม่ใช่ ก, กิเลสก็เหมือนเช่นเจ็บท้องปองวดหัวจิตใจไม่เสียใจจิตใจนั่นเปกเนิดกับสิ่งเหลานี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เฉพาะพระพุทธเจ้าสาวุทลาท่านก็เป็นประเภทนี้ แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันเป็นขันทุกเป็นทุกเบญทนาอะไรเป็นเบญทนานั้นๆต่างอันต่างกินท่านไม่เข้าไปไม่ให้มีความเชื่อมโยงรึ่งชะเข้ากันพองเราไม่เป็นงั้นเกลียดจิตตรงไหนไอ้เรื่องสมุทัยมันเข้าแทร้ให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจที่ไม่อยากให้เกลียดไม่เอาปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละเอง เป็นการเสริมสมุททยภานจิตเลยเป็นโรคภายนจิตอีกทีเป็นทุกภายนจิตอีกทีเป็นทุกสองชั้นพอยิ่งนักเราพิจารณาที่เห็นทุกขัก็สั่งไม่เหนการเอาเป็นเอาตายนะเห็นอย่างสัญทุกศตร์อันี้ อาณาจักสิ่งเป็นของจริงมันจริงพระนจิจริงจริงจนหาที่ค้านมาเออคำวมาภาษาไทยจังจริงอย่างนี้เหลือนั่นจุฬาไทยภาษาจริงอย่างนี้เหลอจริงอย่างนี้เหลือจริงอย่างนี้เองขนาดมันชัดชัดนี่แหละเรียกว่าฉันที่ถืโกว์คือเห็นเองจากการปฏิบัติของตนเห็นเป็นลำหนักคำหนักถีงในกระแสของจิตที่มันเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับอะไรที่ได้เกิดเป็นภพเป็นชาติมันบอกไปในจิตหมดอ่ะฮะ ถงาจะนับพบนักบ่าติของเราและลูกชาติเราได้มาได้่ก็ตามเชื้อของจิตที่มันเคยต่อพบต่อชาติมามันบอกกันาชัดชนี่คือเชื้อของพบไม่มีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วเท่าไหร่มากมายได้เชื้อนี้คือเชื้อแห่งความเกิดแท้ๆเห็นไหมครับนักนี่แหละเป็นเรื่อขงวัดอดีตความเกิดมากี่พบกี่ชาติวัดคื่พระจิตที่มีมีเชื้ออันจะทําให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเอง เมื่อถอนเชื้อนี้ออกได้หมดนังเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกแค่ชัดว่าหาทางเกิดไม่ได้เจ้าะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดไม่สิดไม่พันอะไรเป็นเอกเทศแล้วที่พบมัมาจากไหนไม่มีข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกได้ชัดเจนนะปัจจุบันนี้เจะ อ, อะไรแต่เกิดปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้แล้ว จเจ้าความสองของมันจางไปมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำกำลังสอดมีเชื้ออยู่นั่ น, นะนอ่ะควรจะการเกิดอยู่ก็เกิดพบละเอียดก็ตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตาม ก, ก็คือเชื้อพาให้เกิดจมีอยู่นั่นแหละพอดับมันนี้ลงด้วยปัญญายัางแยงชัดแล้วั น, นก็ขาดสะบั้นหายไปเลยอดีตที่เคยเป็นมาที่ ที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเกิตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื่ อ, อ น, นี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกาันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดก <S S จจันเอามาถือปัจจุบันนั้นมาเป็นตนเป็นของตนอีรู้เท่าเป็นความจริงประเภทนีอ้อนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันนี้ยึดติดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดสืบต่อไม่มีเยื่อย้ายอะไรแล้วมมหมดมรู้ได้ชัดนั่นแหละท่านมาณฑีกานมิพุณพะโว ความัปนีของเราไม่มีในธรรมจักขรขับภูรณาสุดอะไรที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราลืมไปแล้วถ้ามาหยิบหยกเอาอนี้มันลืมผมเพราะธรรมจักรขัมสวดได้ตลอดทุกวันทุกข์สวดได้ตลอดนั่ผมแต่เวลาจะมาหยิบเอาตอนนาทีนหนึงมันทับลืมลืมอะนนี้อันนี้ น, นี้อันนีนนนนมนันมาชาติ ให้มันมาชาติอื่นมามีแตชาติท้าให้มั น, ม, น, ม, นมาชาตินาทีดา น, นิน ป, ปุนโพมันตอไปนี้ความเป็นเอกไม่ไม่มีความเป็นอีกเกิดอีกไม่มีเหมือนอย่างนั้นก็อวุตตามพรหมจรีอย่างกา ร, ร ต, รารตอบพุทธ พ, พรหมจรี เพื่อการถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้ขึ้นสุดลงไปเพียงแค่นี้คือพระพุทธเจ้าได้อยู่จบแล้วมันขวางนั้นวุธีง่ายๆเราเสร็จจิตจิตละก็เสร็จจิตบําเพ็ญให้จิตยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอาอย่งนี้ก็ได้จิตอะไรกระตันกระหิ่นั่งกรนยิอย่างจิตที่ควรจะทำทุกในการละในการบาเพ็ญนี่ได้ทําเสร็จสิ้นแล้วนันประลังอิสตายติปิชานาติ แต่ทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบคอบแล้วแนี่ยอืมในธรรมจักรของพระอรสุดอยู่ตรงนี้ ส, สิ่งที่มีนะสิ่งที่ใจใจคือตัวพบตัวชาติตื่นเราเชื่อพบเห็นชาติต้องมีตื่น เพราะนั้การแก้ต้องต้องแก้เข้าไปแก้เข้าไปแต่แสอะไรมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวเขาพูดเขาเสียงกขากลิ่นเขารสอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงขันตัวเองรูปขันว่าเรารูปบอเป็นเราเวทนาสุขทุกข์อะไรก็เป็นเราทั้งยาทั้งขานิตาณเป็นเราแง่ก็ไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอ ไม่มีแต่ความจริงแต่ละส่วนส่วนเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขาไมีความหมายนะครับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาเรลกวไปหลงเขาแล้วไปติดเขาความทุกข์หมาแล้วเราหมาเราพระ อ, อุปทานไปหลงเขาหรือยึดเพอพี่นาะเห็นต่างความจริงแล้วอุปทานมันจะไปทนไม่ได้ยังไงมันก็ถอนตัวมาต่างอันต่างจริงเรื่องของใจจนกระทั่งถึงวิ ช, ชาที่ว่าเหมือขันาห้ากับลูกท่าทัานแล้วมันก็รวมกันไปที่นิจันต์อันเดียว คุณาลู่ทอทานนั้นอีกมันก็หมดปัญหาทอทานทอทานจะทำอะไรไม่มีวิธีไม่มีทำยิ่งอะไรอธรรมชาติานั้นเขยินงหยอนมัชชิมมาโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่คือมัชชิ ม, มาปฏิบัาิในทางท่าปฏิบัติเป็นอย่างก็เพื่อมัชชิมาในหลักธรรมชานิเอยกล้าไปในมัชชิมม า, มาข้อปฏิบัติเพื่อถึงมัชชิมาในหลักธรรมชาติอันนีก็หมดปัญหา การปฏิบัติธรรมให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานรออยู่แล้วอย่างรออยู่ในวงสัจธรรมมรรคผลนิพพานไม่นอ่องเหนือปจา ก, ก, กปิจัตธรรมปิจะทําเบื้องต้นคือทุกสูงุ้ยไทยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเลยเพื่อมรรคนิพพานมรรคปฏิปทามีสมาธิสี่เป็นต้นสมาธิสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือบุกเบิก ทุกขุมไทย่าง น, นี้ออเพื่อเดินได้สะดกสบายนิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปขาดไปทุกขาดไปที่ที่เหลือขาดไปเบื่อมากริญาที่ขาดไปเรียกว่านิโรธ เ, เลยจากทุกขุมไทยยมากไปนั่นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นี่ตรงนี้ไม่มีที่ไหนมีไปคาดนะคาดว่าผู้นิพพานอย่าไปคาดนะ เสียเวลาปเปล่าทำให้เกิดความสงสัยเป็นเทพยิ่งเสียผีเป็นเรื่องสมุทัยไปอีกยันหนีจากสัจธรรมทุกข์ใหยุให้พิจารณาให้ทุกข์กเป็นคาำเตือนเฉยเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของทุกข์มั น, น, น, นมาจากทีก่ไหนมีเรามีของเราเป็นสำคัญนะัวประธานคนลงไปคนลงไปเพ่อตั้งเห็นความจริงของกายถึงความจริงของทุกเอ่เอะไดกว่า